แล้วก็สิบเอดนะพระองค์มีพระชวิวันดังทองคําผิวเนี่ยผิวเหมือนทองคํำแบบนั้นถ้าหากว่าอย า, อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีผิวอย่างไรเขาบอกให้ไปดูทองชมพูนุนะ่นแะที่สุกแต่งกลางนะ่ยผิวของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนแท่งทองชมพูนุ่นแบบนั้นแล้วก็สิบสองทรงมีพระช ว, วิคือชวิวนี่แปลว่าผิวนะละเอียดเหมือนผิวทองคํา เพราะว่าทรงมีพระชวีละเอียดเนี่ยฝุ่นละอองไม่ติดพระกายนั่นนะไม่ต้องห่วงว่าฝุ่นละอองเนี่ยจะมาเปื้อนไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ต้องส่งน้ําก็ได้เลยฝุ่นละอองเนี่ยไม่มีเปื้อนแม้แต่นิดเดียวแต่ก็พระองค์ก็ส่งน้ำล้างพระบาตรล้างมือล้างเท้าแบบแบบทั่วไปอ่ะนะแต่ว่าแต่ธรรมดาผิวของพระองค์เนี่ยน้ําไม่เปื้อนหรือว่าฝุ่นละอองเนี่ยไม่เปื้อนพระองค์นี้ทรงมีพระโลมาขมละเส้นขนเนี่ย เส้นเดียวในในหนึ่งหนึ่งขมเนี่ยหนึ่งรูเนี่ยของเรานี่กี่เส้นจอมเส้นเดียวหรือเปล่าไอนเส้นเดียวเนี่ยใกล้เคียงแล้วจะได้มหาปริศลศาสนามาวางหรือจะได้สค้องก็อย่างเดียวนะแล้วก็ข้อสิบสี่ทรงมีพระโลมาปลายงอนขึ้นเบื้องบนเนี่ยทุกเส้นงอนนะ มีสีเขียวเหมือนดอกอัญชันเนี่ยนะขนเนี่ยสีเขียวขดเป็นมณฑลทักษิณาวัดม้วนมวนมวน้ม ว, นมวนขวาแต่ว่าชี้ขึ้นข้างบนสิบห้าพระองค์นี้ทรงมีพระกายตรงเหมือนกับกายพรหมนั่งเนี่ยตรงเป๊ะเลยไม่ต้องพิงอะไรทั้งนั้นแหละเหมือนกับพรหมนั่งเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับพระปฏิมารูปปั้นยังไงก็อย่ังนงเลย นั่งและตรงไม่มีเอียงไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเนี่ยไม่มีไม่มีเงยไม่มีก้มไม่มีอะไรเนี่ยนั่งแข็งเป๊กเลยเหมือนกับผู้ที่ฝึกมาเป็นอย่างดีอ่ะแล้วก็สิทรงมีพระกายเนี่ยเต็มในที่7แห่งอันนะัก็คือหลังฝ่าพระหัตถ์หลังฝ่าพระบาทเนี่ยเต็มสี่แล้วใช่ไหมฝ่ามือสองฝ่าเท้าสองแล้วก็จงอยบาอีก2จงอยบาอนี้ก็เต็มหมดเลเนี่ย แล้วก็คอเนี่ยก็เต็มที่คอนี้ไม่มีหลุมคอหลุมอะไรแบบคนอื่นทั่วไปไม่มีแตก็เต็มหมดเลยเจ็ดแห่งแล้วนะก็คือหลังมือหลังเท้าอย่างละสองเห็นไที่จะงอยบ่าอกีกสองเป็นหกที่คออีกหนึ่งเป็นเจ็ดคอสิเจดนะทรงมีพระกายเนี่ยเต็มดังกลึงกายเบื้องหน้าแห่งสีหะก็คือ ดูสง่าพาเผยอะนะเป็นลักษณะเหมือนกับราชสีว่างั้นเถอะสิบแปดมีพระปริสดางเนี่ยเต็มพระปริสดางเนี่ยแผ่นหลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเต็มเหมือนกับแผ่นทองเนี่ยไปแปะไว้อ่าไม่เป็นแบบเป็นสองรองคู่ของเราเนี่ยของเราเนี่ย ม, มันมันมีช่วงกระดูกใช่ไหมแต่ของพระองค์เนี่ยเป็นแผ่นหลังแผ่นหลังเนี่ยเรียบเสมอกันหมดเลยแล้วก็19ทรงมีปริมนทนเหมือนต้น นิโครดนรก็คือต้นใสมีพระกายกับวานี่เท่ากันของพระองค์เนี่ยมีมนทนเนี่ยเท่ากันเลยนะคือเอาวาไม้วานี่มาวัดเทียบกับความสูงพอดีกันเป๊ะเลยนะเป็นเรียกว่าคนสมบูรณ์จะเป็นลักษณะ น, นั้นแต่ของเราเนี่ยยเคยว า, เ, าเคยวัดดูไหมอะไรยาวกว่ากันระหว่างวากับตัวไหนะยาวกว่า ต่อไปนะพระองค์นี่ทรงมีพระศรเนี่ยกลมเสมอคอของพระองค์เนี่ยกลมเสมอกันหมดเลยแล้วก็21ทรงมีเส้นประสาทสําหรับรับรสเนี่ยหมดจดเรียกว่าการรับรสอาหารของพระผู้มีพระภาคจะต่างจากคนอื่นบอกว่าแทะอาหารมาแตะปลายลิ้นเนี่ยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะมันแผ่ซ่านไปทั่วทั่วกายหมดเลยท่า น, นพระองค์นี่จึงทานอาหารแค่ มเมล็ดงาเดียวเนี่ยซานไปหมดตัวเลยจะไม่เหมือนคนอื่นนะคือเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วพระองค์นั้นรับรถอาหารเนี่ยดีมากแล้วก็ทําให้ความเจ็บป่วยของพระองค์เนี่ยน้อยมากพระพุทธเจ้านี่เคี้ยวสามคำนั่นเองนะทานอาหารเนี่ยของเรานี่ถ้าเคี้ยวสามคำนี่แย่เลยนะไม่ย่อยแนะ่แล้วก็ข้อยี่สิบสองนี่ทรงมีพระหานุดังคางราชสีพระองค์มีคางเหมือนกับคางราชสี 23ทรงมีพระทน44พระทนก็คือทันตาฟันมี40ข้างบน20ข้างล่าง20ของคนปกติทั่วไปนี่มี32นั่นแหละพระองค์นี้มีพระทนเสมอฟันของพระองค์นี้ไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องทำศัลปกรรมทั้งนั้นเนะเสมอเรียบร้อยแล้วก็มีพระทนไม่ห่างไม่ต้องห่วงว่าเวลาฉันอาหารก็ไปจะมีเศษอาหารเนี่ยไปไปอยู่ในซอก ไม่มีพระองค์นี้มีพระทาทาเนี่ยอันขาวงามเขี้ยวนี่เป็นเขี่ยวที่สีขาวเขาเรียกวเขี่ยวแก้วใช่มพระทาทาหรือทาทานี่เป็นเป็นเนขี่ยวอะ่ะข้อ27บก็บอกบางแห่งนะอธิบายบอกว่าฟันของพระผู้มีพระภาคนีเรียงเสมอเหมือนระเบียบเป็นเหมือนกับระเบียบเพชรเนี่ยเอามาเรียงเรียเรียกันพระองค์นี่ทรงมีพระชิวหาใหญ่ ชิวหาของพระ อ, องค์นี่ใหญ่ขนาดไหนก็คิดดูว่าแผ่มาปิดหน้าผากได้ก็เอาออกมาปุ๊บเนี่ยมวนมวนมวนอ่ะยัดหูได้อะแลบออกมาแล้วยัดหูได้พระ อ, องค์นี้มีพระสุรเสียงเหมือนกับเสียงพรมเสียงเนี่ยโหกังเวกอ่ะกังวานเหมือนเสียงนกกระเวกอะคนฟังเสียงพระพุทธเจ้านี่ไม่รู้จักเบื่อหรอกแล้วก็ยี่สิบเก้าทรงมีพระเนตรดำสนิท คำว่าดำสนิทก็คือดำในที่ที่ควรดำะนะตรงไหนที่จะดำก็ดำตรงไหนควรจะแดงก็แดงตรงไหนควรจะขาวก็ขาวอย่ า, างนั้นเถอะไม่ใช่ดำสนิทดำปี๋อะไรไม่ใช่อย่างงั้นพอสาิบนะทรงมีดวงพระเนตรเหมือนกับตาโคตาโคพึ่งคลอดแรกๆเลยนะมีตางามสุขใสยอย่างไรพระผู้มีพระภาคก็งามสุขใสยอย่างนั้นแหละสายตาของพระองค์คือเขาบอกว่าอ น, นิสงฆ์จากไม่เคยมองคนด้วยโทสะ ไม่เคยเคยเห็นคนถลึงตามองคนไหยแทบจะเปลี้นออกมาเลยนะบอคนที่ตาไม่งามส่วนหนึ่งก็มาจากอะมองคนอื่นด้วยโทสะทําเหตุประเภทนั้นไว้ตาเลยไม่งามเลยเพราะงั้นใครอยไปแอบบมองคนอื่นแบบนั้นบ่อยๆเนะี่ยบาปทาให้ตาไม่งามนี่ตาไม่งามไปสัรยกรรมนี่ไม่สนุกเลยนะตาเนี่ยาตาเขงเ ไ, ไปผ่าตาไม่สนุกเลยต่อไปนะพระองค์นทรงมีพระอุณาโลมข่าละเอียด อ่อนดังสำลีเกิดระหว่างพระขนงพระขนงนี่แปลว่าคิ้วนะเขตพระขนงเขตคิ้วหรือเปล่าเพจมีเขตพระขนงใช่ไหมแต่พระขนงอันนี้หมายถึงคิ้วอ่ะในระหว่างคิ้วสองข้างนี่มีขนสีขาวอ่อนนุ่มเนี่ยขึ้นมาพระอุณาโลมก็คือขนสีขาวนั่นเองขนสีขาวเนี่ยขึ้นตรงหน้าผากตรงนั้นน่ะเกิดในระหว่างคิ้วเนี่ยคือดูแล้ว ง, งามเหมือนนะไม่ได้ดูน่าเกลียดหดูแล้วเหมาะสมงามพอดี แล้วก็32มีพระเสียนกลมเป็นปริมนทนดังประดับด้วยกรอบพระพักเคยเห็นเขาเขาใส่กรอบพระราชานี่จะมีกรอบสวมใช่ไหมให้มองเห็นแบบให้มันสมส่วนอะ่ะว่าคนธรรมดานี่ก็เอาเอาอุณาหิษเนี่ยมาสวมครอบเข้าไปใช่ไหมมันก็จะดูเหมาะสมดูงามดีอ่ะพระผู้มีพระภาคเนี่ยไม่ต้องสวมอย่างนั้นเลยแต่ก็ดูงามเหมาะสมเลยอ่ะข้าแต่ท่านผู้เจริญก็คือเล่าให้อาจารย์ฟังนะทั้งหมดนี้คือคือ อุตรามานพเล่าให้พรหมายุพรามฟังว่าท่านพระโคโดมพระองค์นั้นเนี่ยทรงประกอบด้วยมหาบุริษลักษณะ32ประการนี้แหลและท่านพระโคโดมพระองค์นั้นเมื่อจะเสด็จดำเนินมาดูการเดินของพระพุทธเจ้านะว่าทรงก้าวพระบาทเบื้องขวาก่อนเวลาจะก้าวเนี่ยไม่ว่านั่งเสร็จแล้วลุกขึ้นก้าวเดินเนี่ยต้องก้าวขาขวาก่อนทุกครั้งของเรานี่ขาไหนก่อนไม่เคยคิดเลย แล้วแต่ทันนะทันซ้ายก็ไปซ้ายทันขวาก็ไปขว า, าพระองค์นี้ไม่ทรงยกพระบาทไกลนักและก็ไม่ทรงวางพระบาทใกล้นักก้าวก็ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปอ่ะและก็ไม่สเสด็จดําเนินเร็วนักคือไม่เดินเร็วนักและก็ไม่เสด็จดําเนินชา้านักพระองค์นี้เสด็จดําเนินเนี่ยพระชานุไม่กระทบชานุเคยเดินหัวเข่ากระทบกันไหม พระพุทธเจ้านี่เดินเขาไม่กระทบกันชาโนะแปล ว, ว่าเขามีเขาเดินไม่กระทบกันข้อพระบาทไม่กระทบกับข้อพระบาทใครเคยเดินตาตุ่มชนกันบ้างของพระ อ, องค์นี่ไม่มีเลยนะที่ตาตุ่มเท้าล่างเนี่ยเดินเบียดกันอะ่ะไม่มีของพระ อ, องค์เนี่ยเดินไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ก็บไปสืบมาตั้งเจ็ดเดือนอ่ะนะและพระ อ, องค์นี้ไม่ยกพระอุรุสูง <ours. S 2> อุรูเนี่ยภาษาตามใ้เรียกขาอ่อนนะนะไม่รู้ยกขาอ่อนสูงเป็นยังไงกันบ้งนึกไม่ออกเลยนึกหาคำอธิบายดูอแต่กาถาก่อนแล้วนึกหาคํ า, าอธิบายไม่ได้เลยพระ anne, อุรูเนี่ยอุรูเนี่ยแปลว่าขาอ่อนนะนะพระองค์เนี่ยไม่ยกพระอุรูสูงและพระองค์ไม่ทรงทอดพระอุรูไปข้างหลังคือไม่ทอดน่องไปข้างหลังเป็นยังไงไม่ทรงแทรกพระอรุรูไม่ทรงสายพระอุรูอันนี้นึกไม่ออกเลย เมื่อเสด็จดำเนินพระกายส่วนบนไม่หวันไหวเดินแต่เท้าเนี่ยกายบนเนี่ยไม่ไม่วันไหวไม่เสด็จดำเนินด้วยกําลังพระกายก็คือเวลาเดินเนี่ยไม่เหวี่ยงแขนของพวกเราเดินเนี่ยเหวี่ยงแขนใช่ไหมเหวี่ยงไปหน้าเหวี่ยงไปหลังแต่ของพระ อ, องค์เนี่ยเดินไม่เหวี่ยงแขนที น, นี้เมื่อพระ อ, องค์มองอ่ะทอดพระเนตรเนี่ยแปล ว, ว่ามองก็ทอดพระเนตรด้วยพระกายทั้งหมดก็คือถ้าหากว่า พ้าผูทธเจ้านะจะเหลียวไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งเหลียวทั้งตัวเลยนะไม่เหมือนของเราเนี่ยแงนแต่คอไปกระยังได้เลยนะคุยกันก่อนนะค่อยเหลียวกลับมาคืนแต่ของพ i, ระองค์เนี่ยเวลาจะสมมติน่ะจะเหลียวขวาเนี่ยเหลียวทั้งตัวเลยนะไม่เหลียวแต่คออย่างนั้นทอดพระเนตรด้วยพระกายทั้งหมดไม่ทอดพระเนตรเบื้องบนคือคือปกติทั่วไปนั้นอนะ่ะถ้าไม่เกิดธุระอะไรเนี่ยพระองค์จะไม่แลสายตาเหลือบสายตาขึ้นบนเลยไม่ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ํา อ่ะนะเขาบอกว่าทอดพระเนตรเบื้องบนเนี่ยเคยเห็นคนดูดาวไหมเขาดูแบบนั้ น, นสองลักษณะนั้นเรียกทอดพระเนตรเบื้องบนไม่ทอดพระเนตรลงเบื้องต่ำเคยเห็นคนหาเศษสตังไหมสตังมันหาแล้วค้นหาอะไรพวกลักษณะนั้นเรียกอ่ะทอดพระเนตรลงเบื้องตา่าเสด็จดำเนินไม่ทรงแลเหลียวไม่เหลียวแลก็คือไม่ดูซ้ายแลขวาอะไรที่ตกท่อแล้วยังไม่ทันรู้ตัวเลยไม่ใช่ลักษณะนั้นอนะ่ะ ทอดพระเนตรประมาณชั่วแอกประมาณชั่วแอกก็ไม่เกินสองเมตรอ่ะประมาณนั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์นี่ทรงมีพระทัศนะไม่มีอะไรกัน้นพิเศษว่าขนาดว่าพระองค์เนี่ยดูอยู่แค่นั้นแต่พระองค์เนี่ยรู้หมดเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ว่นงั้นด้วยพระปัญญาของพระองค์เนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างวันเมื่อเสด็จเข้าไปสู่ละแวกบ้านสมมติว่าไปฉันไปฉันที่ในบ้านนะตอนนี้มุนไปฉันในบ้านหรือไปบินทบาทอย่างเงี้ย ไม่ทรงยืดผ้ากายสมมุติถ้าหากว่าสถานที่ที่มันต่ำเนี้ยยืดให้มันสูงเนี่ยพระองค์ก็ไม่ทําพระองค์ก็ไม่ย่อกายสมมุติว่าไปในที่ต่ํานะพระองค์ก็ไม่ต้องย่อกบอกสถานที่มันจะเปิดให้หมดเลยถ้าในที่ตรงไหนมันต่ํำนะที่ตรงนั้นมันจะนูนขึ้นให้พระองค์เนี่ยด้วยบุญของพระองค์เนี่ยจัดแจงถนนหนทางเนี่ยเรียบร้อยหมดที่ครุกระที่เป็นลุมเป็นบ่อที่มันเนินเกินไปกว่ายุบลงที่มันต่ําเกินไปกว่าฟูขึ้น ให้เดินพอดีพวกน้ําพวกตออุจจาระปัสสาวะเนี่ยหลีกหมดแล้วก็พื้นเท้านี่จะเหยียบพวกดอกไม้พวกอะไรไปพระองค์นี้ไม่ทรงสายกายเสด็จเข้าไปประทับนั่งบนอาสนะก็ไม่ไกลนักไม่ไกลนักไม่ใกล้นักไม่ประทับนั่งเท้าผะหัดนั่งเท้าแขนเนี่ยอย่างเงี้ยนะใครว่าไปถึงกับเท้าแขนลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีไม่เท้าแขนแล้วก็ไม่ทรงพิงพระกายที่อาสนะ ถ้าสมมติว่ามีที่นั่งพิงอย่างเงี้ยพระองค์ไม่นั่งพิงนะพระองค์เนี่ยนั่งตรงเป๊ะเลยของเราเนี่ยนั่งพักนังเงยต้องหาอะไรพิงเนี่ยเหลียวซ้ายและขวาเนี่ยพิงตังน่อยนะคือมันแบบมันไม่ปกติอ่ะนะมันก็บอกว่าเว้นมหาบุรุษแล้วคนอื่นที่ชื่อว่าไม่พิการไม่มีมก็ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่พิการอ่ะนะแต่ถ้าพระเจ้านี่ไม่มีความพิการในตัวเลย เมื่อพระองค์ประทับในละแวะกบ้านคือถ้าเขานีมลไปฉันใช่ไหมนั่งนั่งในบ้านเนี่ยก็ไม่ทรงขนองพระบาทคือไม่ไปคันยุกยิ ก, ย ก, ยกจับโ น, โน้นมาขีดจับนี่มาเขียนขยํา โ, โน้นจับนี่เนี่ยมือของพระองค์ไม่ไมขนองแบบนั้นไม่ทรงขนองพระบาทที่นั่งแกว่งเทา้าแกวงแขนแกว่งขาอะไรไม่มีทักอย่างไม่ประทับนั่งชันพ่าชานุคือไม่นั่งชันเข่าอะ่ะไม่ประทับนั่งซ้อนพระบาทนั่งซ้อนเท้าก็ไม่มี ไม่ประทับนั่งยันพระหนุนั่งคำคางคำคอคำหัวไม่มีทักอย่างเมื่อประทับนั่งในละแวกบ้านไม่ทรงขั้นคลั่งพระองค์เนี่ยไม่สะดุ้งไม่ขั้นคล้างไม่อะไรทักอย่างไปนั่งใครว่าไปถึงก็ไปแบบลักษณะกลัวอะไรเงี้ยนะในความรู้สึกของพระองค์ไม่มีเลยพระองค์นี่ไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงขาดไม่ทรงสะดุ้ง เขาบอกว่าคนที่เข้าไปนั่งในบ้านแล้วสะดุ้งนี่ก็คือคนที่ไปในลักษณะถ้าหากเขาถามอันโน้นเราแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยมันประมานะสะดุ้งแต่พระเจ้านี่ไม่มีแบบนั้นหรือว่าไม่สะดุ้งเพราะความอยากได้บางคนเนี่ยไปนั่งปุ๊บเนี่ ย, เ, ยเราจะได้อันโน ون, ้นไหมจะได้อันนี้ไหมก็สะดุ้งทางเพราะความอยากพระองค์นี่ไม่มีพระองค์นั่งก่อนั่งอย่างนั้นนะจะว่าคิดก็คิดแต่ไม่คิดแบบโลภโทสะโทสานี่ทําให้สะดุง้งโลภทําให้อยาก ทรงปราศจากโลมมาชาชูชันขนลุกขนพองเนี่ยไม่มีทรงเวียนมาในวิเวกใจของพระ อ, องค์เนี่ยน้องไปในวิเวกตลอดทั้งกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกเมื่อทรงประทับนั่งในละแวกบ้านท่านนั่งปุ๊บเนี่ยเตรียมจะชันเนี่ยนะเมื่อทรงรับน้ำล้างบาดครัล้างบาทก่อนชันก็เอาน้ํามาใส่บาทก่อนแล้วแกว่งๆกันนะไม่ทรงชูบาทขึ้นรับไม่ทรงลดบาทลงรับ ไม่ทรงจ้องบาทคอยรับไม่ทรงแกว่งบาทรับทรงล้างบาทไม่น้อยนักไม่มากนักแล้วก็พระองค์เนี่ยไม่ทรงวางบาทที่พื้นคือพื้นที่ไม่ดีที่มันครุขขาเนี่ยพระองค์บัญญัติวินัยด้วยนะอย่างเช่นในที่ที่วางบาทตรงไหนวางได้วางไม่ได้มีวินัยด้วยและพระองค์นี่ทรงล้างบนพระหัตถ์เมื่อพระองค์ล้างพระหัตถ์แล้วก็เป็นอันทรงล้างบาทแล้วเมื่อทรงล้างบาทแล้วก็เป็นอันทรงล้างพระหัตถ์แล้ว ล้างเสร็จพร้อมกันพอดีเป๊ะเลยทรงเทน้ําล้างบาทไม่ไกลนักไม่ใกล้นักและทรงเทไม่ให้น้ํากระเซ็นมีคนทําวิจัยเบ็ดเสร็จหมดเลยนะกิริยาท่าทางเนี่ยตามจับหมดเขาบอกว่ากิริยาเนี่ย อ, อุตระมานกเนี่ยตามสังเกตใช่ไหมคาพูดของพระองค์ทุกคำผ้านนเนี่ยตามจําหมดมีคนติดตามขนาดนั้นเขาบอกว่าไม่มีกายกรรมอันใดที่น่ารังเกียจแม้แต่นิดเดียว ไม่มีว่จีกรรมใดที่น่าตำหนิแม้แต่นิดเดียวไม่มีมโนกรรมอะไรที่น่าน่ารังเกียจเลยนะสำหรับพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆเ <c oughs> มื่อทรงรับข้าวสุกอ่าถ้าเอาเขาเอาอาหารมาถวายเนี่ยนะไม่ทรงลดบาทรับไม่ทรงจ้องบาทคอยรับไม่ทรงแกงบาทรับทรงรับข้าวสุกไม่น้อยนะักไม่มากนะักบางคนเจอข้าวไม่ดีก็รับน้อยหน่อยนะเจอข้าวดีรับมากไม่ใช่อย่างนั้นทรงรับ กับข้าวเสวยเนี่ยพอประมาณกับข้าวกับกับข้าวเนี่ยพอดีกันไม่ทรงน้อมคําข้าวให้เกินกว่ากับก็คือบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าข้าวดีว่าเอาข้าวเยอะหน่อยถ้ากับดีก็เอากับเยอะหน่อยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นก็คือให้พอดีอ่ะสมส่วนว่าในการทานอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยข้าวสมควรเท่าไหร่กับข้าวสมควรเท่าไหร่ก็มีการรับอย่างพอดีพอดีเลยทรงเคี้ยวคําข้าวในพระโอษฐ์สองสาครั้งและทรงกลืนเคี้ยว3ครั้งนะ เคี้ยวสามครั้งกลืนเลยเยื่อข้าวสุกยังไม่ละคนกันดีเล็กน้อยย่อมเข้าสู่ผ้ากายไม่มีเยื่อข้าวสุกสักนิดหน่อยเหลืออยู่ในพระอดเน่ตรงนี้อุตรมามนุปไปทํำยังไงจึงรู้นะว่าเศษอาหารไม่เปื้อนปากเลยอ่ะก็กลืนไปแล้วเนี่ยไม่มีเศษอาหารอยู่ที่นั้นเลยทรงน้อมคําข้าวไปแต่กึ่งหนึ่ง ทรงทราบรถได้อย่างดีสเสวยวอาหารอยงนั้นรถอาหารเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยพระองค์เนี่ยรู้หมดเลยอย่างั้นทราบสั้นทราบรู้ว่ า, ารถอาหารเนี่ยดียิ่งย่อนประกันยังไงเนี่ยสามารถรู้ได้หมดแต่ว่าพราะองค์ไม่ติดใจแต่ไม่ทรงทราบดีด้วยดีด้วยอํานาจความกําหนัดในรถ <S <S <S คือพระองค์เนี่ยรู้ว่ า, วาอาหารนั้นน่ะดีแต่ก็ไม่มีโลภะในอาหารเลยเสวยอาหารประกอบด้วยองค์8ประการนี่นะององแปดของการเสวยอาหารของการรับประทานอาหารก็คือ ที่เราศึกษาในศาสกาศสัมปชัญญะนะไม่เสวยเพื่อเล่นนี่ข้อหนะึ่งะข้อ 2. ไม่เสวยเพื่อมัวเมาสไม่เสวยเพื่อประดับสไม่เสวยเพื่อตกแต่งหเสวยเพียงดํารงกายนี้ไว้ 6. เพื่อยังพัชรมชีพให้เป็นไป7เพื่อป้องกันความลําบาก8เพื่ออนุเคราะห์อนุเคราะห์อะไรก็คืออนุเคราะห์ชีวิตนั่นแหละให้มีชีวิตดํารงอยู่ต่อไปอไม่เสวยเพื่อเล่นเนี่ย เสวยเพื่อเล่นนี่เป็นยังไงก็คือคนบางคนเนี่ยทานเสร็จก็จะได้ไปเล่นหรือในขณะที่ทานอาหารก็ทานด้วยความคึกคขนองด้วยความเล่นด้วยความสนุกแต่พระองค์ไม่ไม่แบบนั้นบางคนเนี่ยเสวยด้วยความเมาเมาในรถอาหารใช่ไหมท้ายก็ว่ามะพร้าวเนี่ยถ้าไม่หมดทลายหนึ่งก็ไม่ยอมเลิอกอะ่ะลักษณะนี้นนะเรียกว่ากินจนเอาไปฝากอย่างอื่นได้อะ่ะแต่พระองค์ไม่ได้เสวยลักษณะนั้นและก็ไม่เสวยไปเพื่อที่จะประดับก็บอกว่าบางคนเนี่ย ทานอาหารเพื่อให้รูปงามนะเพราว่าในคำพี์ท่านเล่าเหมือนกับพวกาสาวชาววังอย่างเงี้ยเขาก็จะทานอาหารทํำยังไงรับประทานอาหารขนาดนี้นะจะเก่งจะไม่อ้วนเกินไปถ้าอย่างงี้มันผอมไปอะไรเงี้ยนะก็คือประดับประดาดตกแต่งให้มันเหมาะสมพระองค์ไม่เป็นแบบนั้นหรือว่าสเสวยเพียงเพื่อดํารงกาอยู่ได้หรือก็ไม่ไม่ทานแบบนักมวยปล้ำอ่ะให้มีเรี่ยวมีแรงไปจะได้ต่อยมวยอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้น แต่พระ อ, องค์ทรงเสวยด้วยทรงพระดํารีว่าเพียงเท่านี้ก็ จ, กกจักกาจัดเวทนาเก่าได้อนนก็บอกว่ารู้ประมาณเลยว่าแค่นี้ก็ไม่หิวแล้วจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นจักไม่อึดอัดแล้วรู้ว่าจะอิ่มอีกสี่ห้าองค์ก็เลิกฉันร่างกายของเราจาักเป็นไปโดยสะดวกจักไม่มีโทษและจักมีความสําราญเมื่อเสวยพัตตาหารเสร็จแล้วเมื่อจะทรงรับน้ําล้างบาดก็ไม่ชูบาดขึ้นรับ ไม่ทรงลดบาดลงรับไม่ทรงจ้องบาดคอยรับไม่ทรงแกว่งบาทรับทรงรับน้ำล้างบาดไม่น้อยนักไม่มากนักไม่ทรงล้างบาดดังคลุกคลุกไม่ทรงหมุนบาดล้างไม่ทรงวางบาดที่พื้นทรงล้างบนพระหัตถ์แล้วก็คือเอามือข้างหนึ่งเนี่ยจับบาดมืออีกข้างหนึ่งล้างบาดยงั้นไม่ไม่วางแล้วก็ล้างเมื่อทรงล้างบาทแล้วก็เป็นอันทรงล้างพระหัตถ์ด้วย ทรงเทน้ําล้างบาทไม่ไกลนักไม่ใกล้นักและทรงเทไม่ให้น้ํากระเซ็นเทน้ําก็ไม่ให้น้ํามันแตกกระจายนะเทตรงนี้ไปเปื้อนคนทางโน้นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคือเทพอดีเลยนะน้ำไม่แตกกระเซ็นออกไปเมื่อสวยพระตาหารเสร็จก็ไม่ทรงวางวางบาทที่พื้นทรงวางในที่ที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักก็คือคนบางคนนี่วางบาทเองวางเสร็จแล้วก็คอยเหลียวดูนะแล้วก็ไม่ทรงต้องการบาทก็หาไม่ได้ แต่ก็ไม่ตามรักษาบาทจนเกินไปเรียวก็ไม่ใช่วางแบบทิ้งๆข้างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปพะวะพะวงจ์จนเกินอีกก็ไม่ใช่เมื่อเซเวชเสร็จแล้วก็ประทับนิ่งเฉยอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ทรงยังเวลาแห่งการอนุโมทนาให้ล่วงไปคือบางคนเนี่ยพอทานอาหารฉันเสร็จปั๊บรีบยะถาทันทีเลยนะครับรีบแสดงธรรมรีบอนุโมทนาคนอื่นเขาทาอะไรยังไม่ทันเสร็จกันเลยอะทางนี้รีบไปแล้วนี้แต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นก็คือเฉยอยู่ครู่หนึ่งจนเหมาะสม สวอยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาเวลาอนุโมทนาก็ไม่ทรงติเตียนพัดนั้นหรือไม่ทรงหวังพัดอื่นก็ไม่ได้สเสวยโอ้อนุโมทนาโอโยมวันนี้เลี้ยงมาเด็งานเลยก้าเลยมาเด็เรื่องเลยอาหารนี่ห่วยที่สุดเงี้ยไม่มีพระองค์ก็อนุโมทนาเป็นแต่ธรรมะแล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้พูดลักษณะกล่อมว่าเดี๋ยวแหมอาหารวันนี้อร่อยจังนะสูตรไหนนะใครเป็นแม่ครัวลักษณะ น, นี้ก็ไม่ถามถึง ทรงชี้แจงให้บริษัทนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้ร่าเริงด้วยทำมีคาถาก็คือแสดงธรรมแสดงพระปริยัติธรรมนั่นแหละครั้นแล้วก็ทรงลุกจากอาสนะเสด็จไปเวลาเสด็จก็ไม่เสด็จเร็วนักไม่พลุนพลันเสด็จไปไม่ทรงจีวรสูงเกินไปนะเวลามันก็ไม่ใช่จีวรเนี่ยทลกขึ้นเกินเข่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ทรงจีวรต่ำเกินไปเนี่ยไปติดทั้งตะตุ่มก็ไม่ใช่พอดีเลยไม่ทรงจีวรเนี่ยติดแน่นท่ากาย ก็คือไม่ใช่ห่มจนรัดรูปไม่ใช่ไม่ทรงจีวรเนี่ยกระจุยกระจายจากพระกายแต่ก็ไม่ใช่รุ่มร่าม้าจนน่าเกลียดอกีกทรงจีวรไม่ให้ลมพัดแหวกได้ฝุ่นละอองก็ไม่ติดพระกายเสด็จถึงพระอารามแล้วประทับนั่งครันประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายแล้วจึงทรงล้างพระบาทไปถึงก็นั่งก่อนนั่งล้างเท้านะไม่ทรงประกอบการประดับพระบาท ไม่ตกแต่งเท้าไม่เอาอะไรมารตกแต่งเท้าทรงล้างพระบาทแล้วประทับนั่งคูบาลังล้างเสร็จก็นั่งคูบาลังก็คือนั่งขัดสมาธินั่นแหละตั้งพระกายตรงดํารงทระสติไว้เบื้องพระพักดอนะดรงสติก็คือไม่ดํ âm ฤเพื่อเบียดเบี ย, พบยพออนพรนะองค์เองไม่ดํา m ฤเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นนะไม่ดํ âm ฤเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเนีย่ยก็ความคิดอย่างนี้ไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้า ประทับนั่งดําริแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกทั้งปวงพระอง ค, ค์ในที่ทำยังไงโลกจึงจะมีความสุขความเจริญเมื่อประทับอยู่ในพระอารามทรงแสดงธรรมะในบริษัทไม่ทรงยอบริษัทก็คือพูดยกเขาจะจนคล้ายๆกับว่ายกหวังอย่างใดอย่างหนึ่งนะดีเหลือเกินนะชมที่มันเป็นลักษณะ ที่หวังแอบหวังอย่างอื่นแอบแฝงอ่ะนะไม่มีไม่ทรงลุกรานบริษัทก็ไม่ตําหนิโอ้ยท่านขี้เหนียวขี้ตำ น, งงนีอย่างนั้นอะย่างเี้ยพงก็ไม่ตําหนิอีกทรงชี้แจงให้บริษัทเห็นแจง้งให้สมาทานให้อาทานให้ร่าเริงด้วยทํามีกรถาทรงมีผ้าสุรเสียงอันก้องเปล่งออกจากพระโอดเสียงของพระพุทธเจ้านี้ประกอบด้วยองค์8ประการอย่างที่หนึ่งนี่วิสัตโธสละสลวย เสียงของพระพุทธเจ้านี่สระสลวยไมต่ตะกุกตะกะไม่ใช่แล้วก็สองวิญโยโยก็คือรู้ได้ชัดเจนฟังและฟังนี่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือถ้าหากว่าคนไทยฟังอ่ะก็แปลฟังเป็นภาษาไทยเข้าใจอย่างดีถ้าคนแขกฟังก็แปลเป็นภาษาแขกเองเพราะนั้นเสียงของพระพุทธเจ้านี่เข้าสู่ภาษาใดาปุ๊บเนี่ยคนไหนฟังก็จะเป็นภาษาของคนนั้นที่คล่องในเรื่องนั้นเลยและเสียงของพระองค์เนี่ยมันชุว์ว่า ง, งั้นไพเราะ สวนิโยนี่ก็ฟังง่ายแล้วก็เสียงนี่เป็นพินทุเสียงที่กลมกล่อมไม่แตกไม่พร่าแล้วก็ต่อไปเสียงพระองค์นี้เป็นเสียงที่ลึกคำภีโรเนี่ยเป็นเสียงที่ลึกมากแล้วก็นินนาพีมีกังวานบริษัทจะอย่างไรก็ส่งให้เข้าใจด้วยพะสุรเสียงได้คือประชาชนเป็นยังไงปุ๊บพระองค์เนี่ยมีความสามารถในการใช้สื่อให้เขาเข้าใจได้ แล้วพระสุรเสียงก็ไม่ได้ก้องนอกบริษัทเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลยออกไปแม้แต่หนึ่งนิ้วไม่เลยไปนิดเดียวก็ไม่เลยชนทั้งหลายที่ท่านพระโคโดมที่แจงให้เห็นแจ้งให้สม า, า, าทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกรถาเมื่อลุกจากที่นั่งไปยังเลี้ยวดูไม่อยากจะละไปคนที่จะจากพระพุทธเจ้านะแต่ยังดูเอ๊ไม่อยากจากเลยนะอยากจะดูไปอย่างนั้นอีกอันพรามวัคคะรีเนี่ย ติดตามดูพระพุทธเจ้านะแกบวชพ่ออยากพ่ออยากเห็นพระพุทธเจ้าบวชพ่ออยากเห็นโอ้งามจริงๆเลยนะติตามดูจนอินทรียรแก่กล้าพระพุทธเจ้านี่ไล่เหนียวไปวัตรกุลประโยชน์อะไรด้วยกายที่เปือยเน่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาคดหนีไปเนี่ยเราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมไปโดดเหวตายจะดีกว่ามันก็เดินเดินจะไปโดดเหวตายนะเพฉะนั้นคนที่มีศรัทธาที่จะตามดูจริงๆขนาดนั้นก็มี เพราะฉะนั้นเมื่อลุกจากที่นั่งไปก็ยังเหลียวดูโดยไม่อยากจะละไปต่างรำพึงว่าเราได้เห็นท่านพระโคดมพระองค์นั้นเสด็จดำเนินประทับยืนเสด็จเข้าละแวกบ้านประทับนั่งนิ่งในละแวกบ้านกําลังสเสวยพระตาหารในละแวกบ้านสเวสเวยเสด็จแล้วเสวยเสร็จแล้วก็ประทับนั่งนิ่งสเสวยเสร็จแล้วก็ทรงอนุโมทนาต่เมื่อประทับอยู่ในพระอาราม กำลังทรงแสดงธรรมในบริษัทท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงพระคุณเช่นนี้ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงพระคุณเช่นนี้และพระคุณยิ่งกว่าที่กล่าวแล้วนั้นคือคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกว้างขวางยิ่งใหญ่เทียบกว่าแผ่นดินแผ่นน้ำเหมือนกันเถอะสูงสุดเรียกว่าสูงเลยเพระว่ากระพมอีกกว้างขวางยิ่งกว่าอากาศอีกมันไม่สามารถที่จะกล่าวให้หมดได้เรเพียงแต่เล่าเกียรยาอาการโดยทั่วไปให้ฟัง นะแต่ไม่เล่าธรรมะแล้ท่านแสดงทำอะไรบ้างนี่ไม่ไม่เล่านะแต่ก็เล่าแค่กิริยาอาการอะไรต่างๆไปจับเอาแต่กิริยาอาการลักษณะกิริยาท่าทางอะไรเท่านั้นนะ